เมืองจีนวันหยุดเยอะอย่างนี้ไหมประเทศไวยวันหยุดเยอะแยะเลยเดี๋ยวนี้แพ้แพ้อินเดียทีเดียวหลวงพ่อเมื่อก่อนเก็บเวลาพักผ่อนนะปีหนึ่งได้สิบห้าวันแล้วก็คอยดูเวลามีวันหยุดพิเศษอะไรพวกนี้ ก็จะเลือกลาอย่างเมื่อก่อนมันหยุดวันที่ห้ากับวันที่สิบหลวงพ่อก็จะลาช่วงนี้หกเจ็ดแปดเก้าไปอยู่วัดได้นานวันหยุดไม่คยไปที่อื่นเลยไปไปที่วัดแต่ว่าไปภาวนานะไม่ได้ไปเที่ยวไปภาวนาอยู่ตามวัดครูบาอาจารย์ ชีวิตก็สงบสบายคนอื่นเขาเที่ยวหลงโลกกันถึงเวลาวันหยุดก็พากันเฮฮาไปกินเหล้าเที่ยวนู้นเที่ยวนี้แล้วก็บ่นว่าจนหลพ่อไม่เคยบ่นว่าจนเลยมีเงินเท่าไหร่เราก็ใช้อยู่ในขอบเขต ไปอยู่วัดถ้าใช้จ่ายไม่เยอะอะไรพ้นวันหยุดมา้พวกไปเที่ยวนาะโซมกลับมาเรากลับมาจากวัดสดชื่นไปภาวนาอยู่กับครูบาอาจารย์เมื่อสามสิบกว่าปีก่อนครูบาอาจารย์มีเยอะีอทางอีสานะเยอะๆเลย เดี๋ยวนี้ท่านตายไปหมดแล้วส่วนใหญ่เรามองโลกนะให้เห็นความจริงของมันโลกนี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี่เดี๋ยวก็ปีใหม่แนะพ้นปีใหม่ก็มีตรุษจีนอีกนะก่อนปีใหม่มีคริสต์มาสคนไทยก็ฉลองนะคริสต์ส ถึงปีใหม่ก็ฉลองถึงจุดจีนก็ฉลองอีกพ้นจุดจีนไปก็มีวันสงกรานเป็นันปีใหม่โบราณของไทยเราก็อยู่อีกสงกรานนี้เป็นช่วงที่คนไทยตายเยอะที่สุดตายอยู่บนถนนขับรถแล้วก็เมาเล่าไม่มีสติเมืองไทยบอกว่าเป็นเมืองศาสนาพุทธเป็นพุทธแต่ชื่อหรอ เป็นพุทธแต่ในทะเบียนบ้านความเป็นจริงชาวพุทธมีไม่มากนะล้วมันเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรสมัยที่พระพุทธเจ้ายัางอยู่ชาวพุทธก็เป็นคนส่วนน้อยคนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นพุทธจะนับถืออะไรต่ออะไรกันไปทําไมชาวพุทธเป็นคนส่วนน้อยมาตลอดเพราะศาสนาพุทธเนี่ย เป็นศาสนาที่สอนให้เราช่วยตัวเองคนทั่วไปไม่ได้อยากช่วยตัวเองอยากให้คนอื่นช่วยอยากให้พระเจ้าช่วยเลยอยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยชาพูทธไม่ได้ร้องขอให้ใครช่วยเลาจช่วยตัวเราเองชาพูทธเนี่ยถือหลักของเหตุกับผลถ้าเราอยากได้ผลอย่างนี้เราต้องทําเหตุ อยากรวยก็ต้องทำเหตุที่จะทำให้รวยอยากมีเพื่อนเยอะมีไมตรีจิตกับคนอื่นแล้วก็ฝึกจเจริญเมตตาคือทุกอย่างมีเหตุมีผลทั้งหมดเราอยากมีชีวิตที่ไหยนะก็มีเหตุตนนัวนีกเราก็ดำรงชีวิตอยู่ล้วก็ลงอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าอบัยมุกกินเหล้าเที่ยวเฮฮ า, าไป ดูการละเล่นไม่รู้จักเลิกไม่ทํามหากินเนะที่ยวเล่นเที่ยวดูอะไรเพลิดเพลิน<ๆ>เล่นการพนันเล่นการพนันยังไงก็ไหายาะนะครบคนชั่วแล้วครบคนชั่วยังไงก็ไหยนะนะมันพากันเสียในะพระพุทธเจ้าก็สอนไว้นะถ้าเราทําเหตุหกอย่าง เร่ อ, อับายามุกหกข้อยังไงชีวิตเราก็ตกต่ำถ้าเราทำเหตุที่ดีอย่างเราอยากรวยเราขยันท่ามาหากินรู้จักเก็บ อ, อมรู้จักไปลงทุนอรเงี้ยรู้จักเลือกคบคนรู้จักรักษาทรัพย์สินที่มีอยนี้ก็มีอยู่ ม, ยมีกิน คําสอนของพระพุทธเจ้านะจะเป็นเรื่องเหตุกับผลเหตุกับผลมีสองระดับระดับที่อยู่กับโลกอย๋ยงพวกเราเป็นชาวโลกเราก็ต้องรู้ว่าเราควรจะดารงชีวิตยังไงเลือกครบคนแบบไหนเราก็จะเป็นคนแบบนั้นอย่างเราคอบพวกติดยาเสพติดเนี่ยเดี๋ยวเราก็ติดตามไปเราคบพวกผู้รายเดี๋ยวเราก็เป็นผู้ลายตามไปเราคบคนดีเดี๋ยวเราก็ดีเราคบคนมีศีลนนะ เราก็ไม่กล้าผิดศีลเราละอายใจเราครบคนมีสมาธิเราก็ต้องฝึกถ้าไม่ฝึกก็าอายเขาเราครบคนที่เจริญปัญญาแต่เราไม่เจริญปัญญาเลยก็ตามเขาไม่ทันนี่เป็นเรื่องเหตุกับผลทำเหตุที่ดีไว้ผลที่ดีก็เกิดขึ้นทำเหตุที่ไม่ดีผลที่ไม่ดีก็เกิดขึ้นในส่วนของโลกุตตะธรรม ท ร, รมาชั้นสูงก็มีเหตุกับผลถ้าเรามีเหตุคือตัณหาเราจะมีผลคือความทุกข์ถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเรียนรู้ความจริงของตัวเองได้ไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจเราจะพ้นจากทุกข์เราสังเกตให้ดีสิ่งที่เร้กว่าทุกข์เนี่ยอยู่ที่กายกับใจเราไม่ได้อยู่ที่อื่นความทุกข์มีแต่ทุกข์กายกับทุกข์ใจ ถ้าเราเรียนรู้กายเรียนรู้ใจให้แจม่มแจ้งเราจะยอมรับความจริงความจริงของร่างกายคือมันทุกข์แน่นอนมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายถ้ายอมรับตรงนี้ได้เวลาร่างกายแก่เจ็บตายใจเราจะไม่ทุกข์ด้วยมันทุกข์เฉพาะร่างกายแต่จิตใจจะไม่ทุกข์นี่เรียนจะให้รู้ความจริง้ถ้าเรารู้ความจริงแล้วเราจะพ้นทุกข์ ถ้าเราหลงโลกมีแต่ตัณหาเราจะต้องทุกข์นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในเรื่องอริยสัจสี่ทำเหตุที่จะหลงโลกนะมีแต่โลภมากมีแต่ตัณหาอย่างไรก็มีผลเป็นความทุกข์ทำเหตุคือศีลสมาธิปัญญาโดยเฉพาะตัวปัญญาเรียนรู้ความจริงของกายของใจไปผลคือความพ้นทุกข์ ยังมีปัญญารู้ความจริงของร่างกายจะไม่ถูกเพราะร่างกายมีความรู้ความจริงของจิตใจอย่างจิตใจเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเราดิ้นรนหาความสุขมาตั้งนานพอได้ความสุขมาแล้วความสุขอยู่ประเดี๋ยวเดียวความสุขก็หายไปในความสุขไม่เที่ยงเรารู้เลยจิตใจที่มีความสุขนะสั้นนิดเดียวกว่าจะได้มานี่ยเหน็ดเหนื่อยแทบแย่ แต่พอได้มาแล้วอยู่แป๊บเดียวก็หายไปความทุกข์เราไม่อยากได้แต่พอเราทำเหตุของความทุกข์เมื่อไหร่ความทุกข์ก็มายานันอยู่ในโลกนะบางทีเราก็มีความสมบัติบงทีเราก็มีความผิดหวังอนนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอยู่ที่กรรมเรามีวิบากกรรมที่ไม่ดีเราเจอเรื่องที่ไม่ดีเยอะ เรามีบากรรมที่ดีแล้วไปเจอเรื่องที่ดีเยอะเะฉะั้นชีวิตบางคนสบายนะชีวิตบางคนไม่สบายแต่ว่ากรรมเก่าเนี่ยมีผลทําให้เราได้ชีวิตที่สบายชีวิตที่ไม่สบายมาเนี่ยแต่สุดท้ายมันตัดสินกันด้วยกรรมใหม่อย่างกรรมเก่านะส่งผลมาให้เรารวยะมีเงินเยอะมีชื่อเสียงบางคนเกิดในตระกูลใหญ่โตแต่ทําตัวเหลวไหล ติดอภัยมุกเมื่อก่อนมีพวกขุนนางเมืองจีนก็มีคุณนางเมืองไทยก็มีขุนนางลูกขุนนางรวยพ่อรวยไม่เรียนหนังสือไม่ทำอะไรกินเหล้ามายาสูบปินเมืองไทยก็สูบฝินตามเมืองจีนนะเมืองจีนสูบมาก่อนคนจีนย้ายมาเมืองไทยก็เอาฝินมาด้วยคนไทยก็มาสูบบ้างพวกคุณนางพวกอะไรพวกลูกลูกะ เ, เกิดมาสบายเป็นลูกเจ้าสัวสบายกะทำตัวเหลวไหลเด่นการพนันติดยาฟินอะไรเงี้ยสุดท้ายชีวิตก็ไหชนะเพราะงั้นถึงเราเกิดมาดีนะแต่การดารงตัวของเราเร็วชีวิตเราก็ตกต่ำเราเกิดมาไม่ดีบางคนเกิดมายากจนแต่ขยันทำมาหากินนะรู้จักลงทุนรู้จักเก็บออม รู้จักเลือกคบคนดำรงชีวิตพอดีกับสถานะของตัวเองพวกนี้จะไม่จนหรอกอย่างหลวงพ่อเมื่อรันรับราชการเป็นข้าราชการเงินเดือนไม่เยอะคนอื่นเขาบอกว่าเขาโจ้จนนะหลวงพ่อไม่จนนะหลวงพ่อมีกินมีใช้เราไม่เสียเงินค่าซื้อเหล้าเราไม่เสียเงินค่าไปเที่ยวทับเที่ยวบาร์เราไม่จนหรอก เราดำรงชีวิตพอดีกับฐานะของตัวเราเองนีเราทำเหตุอย่างนี้นะเราเกิดมาจนแต่ว่าเราทำเหตุที่ดีเราก็ไม่จนต่อไปต่อมาหลวงพ่อย้ายงานนะมีอยู่บริษัทโทรคมนาคมไรายได้ดีมีเงินใช้แยะๆแต่เราก็ไม่หลงระเริง เ ก, เก็บเก็บเงินไหมคุณแม่ชีก็เก็บเงินไว้ถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าพอแล้วออกมาบวชเป็นพระเนี่ยไม่ต้องใช้เงินอาบวชแต่เป็นแม่ชีต้องมีเงินเพราะว่าคนไม่ค่อยได้เลี้ยงแม่ชีคนเลี้ยงแต่พระพออยู่ได้แล้วก็ออกมาอยู่วัดใช้ชีวิตเพื่อสิ่งที่ดีที่สุด อยู่ในโลกเราได้สิ่งที่ดีในโลกมาแล้วมีหน้าที่การงานดีมีฐานะดีมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีทุกอย่างที่ชาวโลกเขามีเราก็ออกจากโลกมาสแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดคือธรรมะมาอยู่วัดมาภาวนาตอนเป็นโยมก็ภาวนา แต่ว่ามันต้องแบ่งเวลาส่วนหนึ่งไปอยู่กับโลกไปทำมาหากินไปเลยพอไม่มีภาระอะไรจําเป็นในโลกแล้วนะพ่อก็มาอยู่วัดภาวนาชีวิตมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนี่ถ้าพวกเราเข้าวัดแล้วมาเรียนธรรมะนะรู้วิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติไม่ยากอะไรหรอกถือสี่ห้าข้อศี่ห้าข้อ ไม่เบียดเบียนชีวิตร่างกายของคนอื่นสัตว์อื่นไม่เบียดเบียนทรัพย์สมบัติของคนอื่นไม่เบียดเบียนแย่งชิงคนรักของคนอื่นไม่ล่อลวงโกหกหลอกลวงคนอื่นแล้วก็ดํารงชีวิตด้วยสติสัมปชัญญะนี่คือศีลห้าศีลห้าจริงๆคือเรื่องไม่เบียดเบียนชีวิตร่างกายผู้อื่น ไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของผู้อื่นไม่เบียดเบียนคนรักของคนอื่นไม่ไปล่อลวงหลอกลวงใส่ร้ายฝ้ายสีอะไรคนอื่นแล้วก็ข้อห้ามีสติสัมปชัญญะถ้ากินเหล้าเมายาอะไรนี้ขาดสติเราไม่ได้กินเหล้าเมายาไม่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยสี่ห้าข้อไม่เบียดเบียนคนอื่นเราก็สบาย ถ้าเบียดเบียนคนอื่นจิตใจเราจะวุ่นวายเพราะั้นการที่เรามีศีลนาลงชีวิตโดยไม่เบียดเบียนคนอื่นมีสติสัมปชัญญะเนี่ยคือไม่เบียดเบียนตัวเองถ้าเรากินเหล้าเมาอยานะเราเบียดเบีย น, นตัวเองความชั่วที่ไม่เคยทําก็ทําได้นะอย่างหน้าด้านกินเหล้าเข้าไปหน้าด้านไม่รู้จักอายอะไรอย่างเงี้ยเดินแก้ผ้าก็ได้นะเมาเหล้าอยู่กลางถนนทําอะไรก็ได้อยากจะฉีก็ฉีมกลางถนนเลย ไม่รู้จังอายดังั้นในศีลห้าเนี่ยมันไม่เบียดเบียนคนอื่นสี่ข้อไม่เบียดเบียนตัวเองข้อหนึ่งการไม่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยมันมีผลส่งเสริมให้จิตใจเราสงบสุขดังนั้นศีลที่ดีทําให้เราเกิดสมาธิสมาธิคือท่าภาวะที่จิตใจสงบสุขจิตใจอยู่กันเน้อกับตัวแล้วเราจะเจริญปัญญาง่ายเราคกคอยรู้สึกตัวไปไม่ฟุ้งซ่าน คนผิดศีลมันจะฟุ้งซ่านคิดตอลอไปวลาไปตีหัวเข้ามาต้องระวังตัวเครียดไปขโมยเข้าม า, ากลัวตำรวจจับอะไรี้ยคนสุจริตไม่ได้เบียดเบียนใครแม่คือกลัวอะไรมีชีวิตอยู่อย่างสบายครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังนะท่านเข้าป่าเจอเสือเจอช้างเจองูงูบางตัวเนี่ยใหญ่เป็นท่อนสูงขึ้นไปนั่งบนหลังมันนะนึกว่านั่งอยู่บนสูงนะ นั่งอยู่จะมันเคลื่อนที่มันกระดุกกระดิกขึ้นมานะถึงรู้ว่ามันเป็นงูนี่้าพราะว่าอยู่กับมันได้อยู่กับสิ่งรายๆทั้งหลายได้จิตใจไม่ได้เป็นศัตรูกับใครอยู่กับเสือก็อยู่ได้อยู่กับช้างก็อยู่ได้อยู่กับงูก็อยู่ได้ไม่มีอันตรายเพรใจไม่ได้คิดร้ายกับคนอื่นเมื่เรามีสติ อย่างเราไม่คิดไล่กับงูนะแต่เราขาดสติเดินไปเหยียบงูยังไงงูก็กัดในวัดนี่มีงูหลายๆหลายอย่างประเภทกัดตายเลยในวัดหลวงพ่อเนี่ยมีงูหลายชนิดงูเห่าก็มีงูจงางก็มีงูสามเหลี่ยมงูทับสมิงคลางูเขียวหางไหมงูกะปะมีงูดูดุหลายตัว แต่ยังไม่มีใครโดนมันกัดเพราะว่ามีสติไม่ไปเหยียบมันสัอย่างเยอยไม่ทำอะไรเราหลวพ่อนั่งอยู่นี่งูมางูเห่ามาหายกินอยู่แค่ข้างขาเรานะเลื่อไปเลื่มาเขาก็ไม่กลัวเราเราก็กลัวเขานิดหน่อยเราก็แอบดูว่าทำอะไรยรารักษาศีลห้าไวมา้มะ แล้วก็ให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนละการปฏิบัติว่าจิตใจอยู่กับตัวเองแล้วก็ดูความจริงของร่างกายของจิตใจไปร่างกายนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ดูให้ดีนั่งอยู่ก็เป็นทุกข์นะเดินอยู่ก็เป็นทุกข์นอนอยู่ก็เป็นทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์นะมันเมื่อยต้องนอนพลิกซ้ายพลิกขวาคืนหนึ่งนอนพลิกตัวทั้งหลายสิบทีพลิกตัว พิกตัวนี้ความทุกข์ไปได้ๆนั่งอยู่ก็ทุกข์ใช่ไหมต้องขยับไปขยับมามันทุกข์มันเมื่อยอันนี้เป็นความทุกข์รายวันหิวข้าวปวดเือปวดชี่หิวน้ำนี่เป็นความทุกข์รายวันนานๆเจ็บป่วยทีหนึ่งเข้าโรงพยาบาลนี้เป็นทุกข์หนักๆทีหนึ่งแต่รวมความแล้วทุกทุกวัน เนี่ยเรามีสติรู้กายไปแล้วเห็นร่างกายมีแต่ความทุกข์พอเรามีปัญญาเกิดขึ้นเราเห็นความจริงแล้วร่างกายเป็นตัวทุกขนะ์ความรักความห่วงแหนในร่างกายจะลดลงลดลงเนั้นต่อไปพอร่างกายแก่แต่เดิมคนเขาเป็นทุกข์เพราะว่าแก่พอเราภาวนาเรารู้ความจริงของร่างกายว่าร่างกายแก่เราเห็นว่าไอ้ที่แก่คือร่างกายแต่ใจเราไม่ทุกข์นะ ใจเราไม่ทุกข์เพราะใจเราไม่ได้อยากจะเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดกาลเรารู้ความจริงว่ากายต้องแก่เราเห็นร่างกายมันเจ็บป่วยเราไม่ทุกข์คนอื e luggage, ่นเ้าเจ็บป <Wh> ่วยเขาเป็นทุกข์คลุ้มใจเป็นทุกข์เราเจ็บป่วยก็แค่ร่างกายเจ็บป่วยใจไม่ทุกข์เวลาจะตายคนอื่นเขาทุกข์นะเราไม่ทุกข์นะใจเรามันไม่ทุกข์เพราะฉะน้นเราฝึกไปภาวนาเห็นความจริงของร่างกายเราจะไม่ทุกข์เพราะร่างกาย เราฟังรู้ความรู้สึกในใจเราความสุขความทุกข์ความดีความชั่วทุกสิ่งทุกอย่างในจิตใจชั่วคราวทั้งหมดเราจะไม่หิวความสุขเราจะไม่เกลียดความทุกข์เราจะไม่หิวความดีเราจะไม่เกลียดความชั่วใจเราจะเสมอกันมีความสุขเกิดขึ้นใจเราไม่หลงยินดีมีความทุกข์เกิดขึ้นใจเราไม่หลงยินร้ายมีความดีเกิดขึ้นใจก็ไม่หลงยินดีมีความชั่วเกิดขึ้นใจก็ไม่หลงยินร้าย ใจสักว่ารู้ใจสักว่าเห็นสภาวะาทั้งหลายมั้นใจเราจะไม่ยินดียินร้ายใจเราจะเหมือนน้ําที่สงบนะน้ําที่ไม่มีคลื่นใจมันจะสงบเหมือนเรามีถังน้ํานะแล้วมันไม่มีคลื่นไม่มีลมมีอะไรแอบแฝงอยู่ที่ก้นถังนะเราเห็นหมดเลยมีตะกอนมีเศษผงอะไรอยู่ที่ก้นทางเรามองเห็นนะ่ใจเราเรียบใจเราสงบ ก็ชใจเรากับเพิ่มอย่างนี้มีอะไรซ่อนอยู่ก้นถังนะเรามองไม่เห็นน้ำมันจะเพิ่มเงั้นการที่เราฝึกจิตฝึกใจไปเจอทั้งใจเราเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายเนี่ยสมาธิก็จะสมบูรณ์เต็มที่ขึ้นมาปัญญาก็จะแจ่มแจ้งขึ้นมาอะไรที่แฝงอยู่ในจิตใจเล็กๆน้อยๆเราก็มองเห็นนะกิเลสอะไรแฝงอยู่เราเห็นหมดเลย เพอเราเห็นหมดอเลยแล้วนะกิเลสมันทนสติทนปัญญาไม่ได้นะมันถูกขจัดออกไปหมดใจมันก็พ้นจากกิเลสใจมันพ้นกิเลสพ้นตัณหามันจะพ้นจากทุกข์ที่ใจมันทูกเพราะใจมันก็เพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงะมีความอยากทีอะไรใจก็ก็เพิ่มทุกข์ทีพวกเราพอนาเห็นไหมใจมันก็เพิ่มได้ใจแปล่งแป ล, ง, แปลงนะเดี๋ยวยินดีอพองนะ เดี๋ยวเสียใจก็แฟบเดี๋ยวพองเดี๋ยวแฟบอยู่เงนี้ยทั้งวันเป็นอย่างนี้แล้วชีวิตทั้งชีวิตเป็นอย่างเนี้ยนี่เราภาวนาจะเห็นเลสุขก็อย่างนั้นแหละอยู่ชั่วคราวทุกก็อย่างนั้นแหละดีชั่วก็ชั่วคราวก็อย่างนั้นนี้แหละดงั้นต่อไปเวลาสุขเกิดขึ้นเวลาดีเกิดขึ้นใจก็ไม่กระเพิ่มขึ้นเวลาทุกเกิดขึ้นเวลาความชั่วเกิดแทรกเข้ามาใจก็ไม่แฟบลงไปใจแค่รู้แค่เห็น ถามว่าถ้ามีสติอย่างนี้นทําไมกิเลสมันยังมาได้มันมีความเคยชินอยู่เรือนน่องอนุสัยะอนุสัยเรายังไม่หมดมันยังมีอยู่มันก็ยังกับเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วมันไม่มีนะมันไม่มีกิเลสไม่มาแลมาไม่ได้แนละ้วแต่ของเรามันยังมีอยู่เราก็พยายามฝึกไปเรื่อยใจก็เพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงก็เพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงมีสติรู้ไปเไรื่อย ในที่สุดใจไมก็เพื่อมใจเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างด้วยปัญญาอย่างยิ่งเลยเ่าทุกสิ่งทุกอย่างเนเป็นของชัว่วคราวอาจใจมันเข้าสู่ความเป็นกลางแท้จริงนะปัญญาที่เฉียบแหลมที่สุใจะเกิดขึ้นกิเลสอะไรเ ล, เล็กๆน้อยๆนะที่แฝงตัวอยู่ในจิตใต้สำนึกอะ่ะเหมือนกับเศษพงที่ตกอยู่ใต้ตุ่มน้าใต้ถังน้าเรามองเห็นพอเราเห็ น, น่มันจะสลายตัวไป ล้างกิเลสไปเรื่อยๆค่อยๆฝึกไปพอไหวไหมรักษาสี่ห้าสีลห้าคือไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นให้จิตใจอยู่กับเนื้กตัวนั่นคือสมาธิเรียนรู้ความจริงของกายของใจนั่นคือการเจริญปัญญาจึงต้งเห็นความจริงของกายของใจแนละ้วจิตไม่กระเพื่อมมันไหวตัวนี้ยสีลสมาธิปัญญาจะรวมตัวกัน แล้อริยมรกจะเกิดขึ้นจะล้างกิเลส ธ, ธรรมะที่พระทัเจ้าสอนนี่ขึ้นเดินอยู่ในเส้นทางอย่างนี้เมื่อก่อนสี่ห้าเราแยกเป็นส่วนๆวน่ะที่แท้ไม่เรื่องเบียดเบียนนั่นแหละเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นเราเบียดเบียนได้อย่งไรบ้างเบียดเบียนชีวิตร่างกายเขาเบียดเบียนทรัพย์สมบัติเขาเบียดเบียนลูกเมียที่เขารับ เราไปย่งเมียเขาเนี่เขาก็ทุกข์ใช่ไหมไปเบียดเบียนเขาไปโกหกหลอกลวงเขาอะไรก็เป็นการเบียดเบียนเขาเบียดเบียนตัวเองก็คือทำลายสติสัมมชัญาของตัวเองด้วยการกินเหล้าเมายาถ้าเราไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองการไม่เบียดเบียนคนอื่นก็คือการไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยเราไม่เบียดเบียนคนอื่นเราก็สงบสุข ก็ศีลเราดีสมาธิเราจะเกิดง่ายเอเรามีสมาธิก็เหมือนน้ำนิ่งแล้วใจไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงปัญญามันก็เกิดง่ายอะไรแอบอะไรแฝงอยู่ในจิตใจเราก็เห็นหมดอ่ะพอศีสมาธิสมบูรณ์แล้วอริยมรรคจะเกิดอริยมรรคจะเกิดขึ้นอดทนนะภาคเพียนไปอย่าปล่อยชีวิตให้หมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งโดยไร้สาระ พวกเข้าวัดจํำนวนมากใช้ชีวิตแบบไร้สาระนะเข้าวัดมาเพื่อความสนุกมาเจอเพื่อนฝูเฮเฮฮาฮาบางคนจะมาหาผัวหาเมียนะมีนะไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่มาวัดแล้วมาด้วยหวังทำมาอย่างเดียวหรอกบางคนนะี่มันคิดจะมาศึกพระนะเพราพวกพระเขาอย่างโสดนะอย่างอยากเอาพระไปทาสามีมีไม่ใช่ไม่มีมีมาตลอดลนะ่ะ ทุกวันนี้ก็มีอนะย่าคิว่าเราไม่รู้เลยไม่อยากประจา์เธ อ, อผู้ชายบางคนมาภาวนานะก็เรีวนะภาวนาไปภาวนาไปแล้วก็ทำเป็นระลึกชาติผู้หญิงคนนี้ชาติก่อนเป็นเมียเราที่ไปเอามาเป็นเมียอีกนะชาตินี้ก็มีเมียแล้วนะรละลึกชาตินี่กิเลสมันหลอกทั้งสิ้นเลย ถ้าภาวนาแล้วไม่ลดละกิเลสเนี่ยผิดแลา้วล่ะถ้าภาวนาแล้วลดละ ก, กิเลสได้ถึงจะเรียกว่าภาวนาถูกถาภาวนาแล้วสะสมกิเลสนะกิเลสยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะเหลวไหลายที่สุดเลยนะคนเข้าวัดไม่ใช่คนดีทุกคนนะงั้นไม่ใช่มาพูดกับเราแล้วเราเชื่อง่ายๆนะต้องระวังเหมือนกันผู้ร้ายมันก็แอบเข้ามาอยู่ในวัดเหมือนกันก็ต้องเรามาระวังตัวเอง อัานไปทางโน้อนอ่านไปเดี๋ยวพระรับไปเขียนเสร็จแล้วมีของถวายก็เอาไปถวายพระอาจารย์นะ